สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สี่สิบห้านะครับหัวข้อย่อยก็คือว่าความแตกต่างเจ็ดประการด้วยกันนะครับระหว่างแคว้นยูเดียและแคว้นกาลิลีพี่น้องครับผมขอทบทวนนะครับเมื่อวานนี้เราได้คุยถึงเรื่องของยูเดียสมาเรียและกาลิลีนะครับแในวันนี้เราจะพูดว่าคําถามก็คือทําไมพระเยซูถึงใช้กาลิลีเป็นฐานนะครับ ฐานปฏิบัติการของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเจา้าทำไมพระเยซูไม่ได้ใช้แคว้นยูเดียซึ่งเป็นแคว้นที่น่าจะเป็นสถานหรือว่าเป็นฐานบัญชาการนะครับในการปฏิบัติงานเพราะเลยครับมีอยู่ความแตกต่างอยู่7็ประาการด้วยกันครับพี่น้องครับ professor อาร์ทีฟันนะครับท่านได้เขียนไว้อยู่ในบทความของท่านบอกว่า มันมีความแตกต่างนะครับถึงเจดประการด้วยกันนะครับในวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าทํำไมพระเยซูถึงจะต้องเลือกแกริลีเพื่อที่เป็นฐานปฏิบัติการสําคัญในการสร้างสาวกในการสั่งสอนในการปฏิบัติรับใช้หมวลชนและในการรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งในที่สุดนะครับพระองค์ก็เสด็จจากแกลิลีและเดินทางมาถึงแคว้นยูเดียมาถึงกรุงเยอเซม เพื่อที่จะเสร็จขึ้นไม่แหงเขนครับแต่เวลาส่วนใหญ่ปร่งได้ส่งใช้นะครับอยู่ที่แคว้นกาลีประการแรกครับก็คือความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์พี่น้องครับสมัยก่อนนั้นแคว้นกาลีก็ถือว่าอยู่ใน เ, เขตหรืออาณาเขตของอิสราเอลฝ่ายเหนือซึ่งเรียกว่านอร์ k i n ง d o มนะครับแต่หลังจากที่อัสซีเรียได้ไป นะครับแตกในช่วงแปดร้อยปีนะครับหรือศตรวรรษที่แปดก็คือในคศเจ็ดร้อยยี่สิบสองนะครับนั่นคือความแตกต่างและก็เกิดชาวซามรียขึ้นมาในที่สุดก็มีชาวกกลลี่ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นประการแรกครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติประการที่สองครับเกี่ยวข้องกับการปุบิสัต์ เนื่องจากว่ากกลลี่นั้นถูกเซปเเรตหรือถูกแยกออกนะครับจากแคว้นยูเดียโดยใครครับโดยสมาเรียครับทางตะวันตกและจากเพอรียนะครับโดย <c oughs> มีเพอรียท่านกลางอยู่ในแถวเขตอิสแบงก์ก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนในขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเพอรียนะครับ อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าจอแดนก็แยกขั้นกลางระหว่างยูเดียนะครับกับกับหรือกาลิลีแลวก็ยังมีเมืองเดคาโพลิสหรือทอสซารีด้วยนะครับอยู่เหนือเพเรีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเดินมาทางตะวันออกของแม่น้าจอแดนเขาก็ต้องเดินผ่านแคว้นเพอรีนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทอสซารีนะครับแล้วก็เข้าไปถึงกาลีลได้ถ้าจะใช้เส้นทางนี้ก็จะไม่ผ่านแคว้นสมารีเลยครับ ประการที่สามครับเรื่องของการเมืองแกลลี่นั้นเป็นเมืองหรือแคว้นที่ปกครองนะครับแตกต่างจากแคว้นยูเดียครับเพราะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับเราเรียกแกลลี่ว่าเป็นแผ่นดินหรือเป็นดินแดนนะครับที่ค่อนข้างจะปล่อยนะครับจากโรมนิดหนึ่งคำว่าปล่อยจากโรมนี้มีความหมายว่าโรมนั้นก็รู้ว่า แขวนกะลีน <an> ี <K> ้ <ari> เป็นแขวนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเงินนะครับเป็นแขวนที่ทำมาค้าขายดีเป็นแหล่งนะครับที่เป็นที่ชุมนุมของกฎมากมายเพราะฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนากฎหมายต่างๆนะครับก็จะเปิดกว้างและโดยบางยิ่งหลักข้อคิดปรัชญาต่างๆนะครับก็จะมีคนหลากหลายอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองที่อยู่ที่นั้นก็จะเป็นการปกครองที่ค่อนข้างจะ ไม่เข้มงวดมากนะักแล้วก็ยังมีนะครับพวกเฮโรดซึ่งเป็นราชวงศ์เฮโรดนะครับประการที่หว่เฮโรเดียนนะครับก็ถูกส่งมาปกครองจากโรมครับ <c oughs> ประการที่สี่ครับก็คือความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากว่าแคว้นกัลลีนั้นก็เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์มากครับแล้วก็กเกษตรกรรมต่างๆหรือการประมง ก็มีทะเลใหญ่นะครับก็คือทะเลแกลลีนั่นเองพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าทะเลแกลลีนั้นมีชื่ออยู่ถึงสี่ชื่อด้วยกันครับทะเลแกลลีนะครับทะเลเยเนเซเรสนะครับทะเลคินเนเรสนะครับและทะเลทิเบเรียสนะครับนี่คือสี่ชื่อแต่หมายถึงทะเลเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคนะครับก็จะมีชื่อเรียกทะเลเดียวกันนี้นะครับแตกต่างกันไปประการ ที่ห้าครับเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมครับเนื่องจากว่าชาวยิวที่อยู่ในแคว้นยูเดียนั้นก็มักจะรังเกียจนะครับหรือว่ามีอคติแล้วก็แบ่งแยกนะครับระหว่างสามแควน้นนี้เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วระหว่างยูเดียสมาเรียเกลลีครับชาวสมาเรียเนี่ยถูกชาวยิวยิวหรือถูกยูเดียเนี่ยยูถูกที่สุดครับลองมาอ ก, ก็คือชาวกกลีลีนะครับเราจะเห็นว่า เวลาที่พระเยซูนั้นได้มาสั่งสอนในแคว้นยูเดียในกรุงเยรูเซมพวกปาริสีนะครับคนทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นนั้นก็บอกว่าพระเยซูเป็นชาวเคลลีไม่ใช่หรือสิ่งดีอันใดจะออกมาจากที่นั่นนะครับอันนี้คือความเรียกว่าเหยียดนะครับเหยียดเผ่าพันธุ์เหยียดคนนะครับที่เกิดขึ้นทางด้านวัฒนธรรมประการที่หกครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาครับ ชาวแกลลีนั้นมีสำเนียงนะครับแตกต่าง ก, กันกับพวกยูเดียนะครับในการพูดภาษาชาวบ้านสมัยนั้นเขาเรียกภาษาอรร า, ารามผูาสังเกตเียกว่าอารเมกนะครับภาษาอารามหรือภาษาอารเมกเนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในแผ่นดินป า, าเลสไตน์ในสมัยนั้นครับแล้วก็ชาวยูนั้นเขาก็มักจะล้อเลียนพวกแกลลีนะครับว่าพวกเนี่ยเสียงเนอนะครับ เป็นกลุ่มที่พูดไม่ชัดชาวกร ล, ลีนั้นเวลาเดินทางมานัมสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จ ะ, ะถวายเครื่องบูชาเขาจะพูดเสียงหนึนะครับทำให้ชาวชูเดียรู้เลยครับว่าพวกนี้มาจากแกรลีนะครับประการสุดท้ายครับ <c oughs> ประการที่เจ็ดความแตกต่างทางด้านศาสนานะครับเพราะเนื่องจากว่าคนแกร ล, ลีนั้นไม่ค่อยให้ความสนใจ นะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาครับระหว่างชาวเกลีกับพวกยูเดียพี่น้องครับนี่คือเจ็ดประกาศด้วยกันที่แตกต่างกันและเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูเลือกฐานปฏิบัติการของพระองค์อยู่ที่แคว้นเกลีเพราะาอะไรครับเพราะว่าเพื่อง่ายต่อการประกาศเพื่อให้การประกาศนั้นกว้างไกลออกไปนะครับเพื่อให้กลุ่มคน ที่อยู่ที่แคว้นกาลิลีนั้นโดยเพราะอย่างยิ่งคาเปอร์นาอุมซึ่งเป็นฐานผานปฏิบัติการเป็นชื่อเมืองนะครับที่อยู่ที่ริมทะเลกาลิลีนั้นเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ครับของพระเยซูทั้งเจ็ดประการนี้จึงทําให้เราได้เข้าใจว่าพระเยซูนั้นได้เลือกที่นี่เพื่อเป็นสถานที่ที่ประกอบพระราชกิจของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้เป็นวันทํางานครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังรี่ยวแรงพี่น้องทุกท่านในวันพรุ่งนี้เราจะไปดูต่อไปนะครับพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียอาเมน